ข้อข อ, ขอสำนวนแนววิปัสนาแสดงความแตกต่างระหว่างผู้ปฏิบัติเพื่อโซดาปฏิผลกับพระโซดาบันในสังยุตติกายขันธวารวักพระสูตรทั้ง1ิพระสูตรในอกกันตสังยุตสามารถประมวลพุทธพท์เหล่านั้นได้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโ พ, พะธะพรธรรมรมวิญญาณหกสัมผัสห เวทนาหกสัญญาหกสัญเจตนาหกตัณหาหกาธาตุหกและขันห้าไม่เที่ยงเป็นของปรนแปร ى. กลายเป็นอย่างอื่นได้ผู้ใดเชื่อน้อมใจดิ่งต่อทำเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เรียกว่าเป็นสัทธานุสารีเป็นผู้ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามก้าวลงแล้วสู่ภูมิแห่งสัตว์บุรุษล่วงเลยภูมิแห่งปุตุชนไปแล้ว เป็นผู้ไม่อาจกระทำกรรมชนิดที่กระทำแล้วจะพึงเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยไม่อาจจบชีวิตจนกว่าจะประจักษ์แจ้งโสดาปฏิผลสำหรับผู้ใดทำเหล่านี้ทนการเพ่งพิสูจน์ด้วยปัญญาอย่างนี้บ้างพอประมาณผู้นี้เรียกว่าเป็นธรรมมานุสารีเป็นผู้ก้าวลงสู่สมัมมตานิยามไม่อาจจบชีวิต จนกว่าจะประจักษ์แจ้งโสดาปฏิพลส่วนผู้ใดรู้ธรรมเหล่านี้อย่างนี้มองเห็นอย่างนี้ผู้นี้เรียกว่าเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้แน่นอนที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า